Two days is not long enough r e a l l y I need to next time. I have to. I think the kung fu so said basically the same thing. We need to, to do the whole week retreat. Then, um, well, the next time you come to Chicago, or if you ever come to Michigan, <laughs> but but even in the two days, I found that I learned quite a bit. I had tried many. Was like kung f so and many other meditation methods. None of them seemed to work well for me. I was still losing my concentration. I couldn't clear out my mind, and uh, and it was. I just wasn't feeling very good about myself. Now I came here only for two. Just over two days, and I see the technique. Helps me even to concentrate on the hand movements, and other thoughts have not been entering my mind. So I think it has improved in that sense. Um, I used to sometimes meditate when people were giving Dharma talks, and uh, it didn't seem to work. I would still, I would miss only, I would hear only, and understand maybe five percent. Well, now. I still understand maybe only five percent, but I don't lose concentration on the people that are talking. The, the thoughts are not in my other thoughts don't come into my mind to bother it, and I hope that the next time that it'll get even better, and I'll hopefully be able to understand more of the talks too in Thai, so that you don't have to speak English. But. Uh, So I have to say, grab <laughs> uh, the mass a a i n Grab u p o e o n g r a e p e a a l s Two e t w r e Two e Two more. t o more. w o r e Two m r e t w r t w e Two more. t w Two m o r Two e Two r e Two m o r o m r t o t w r e t r e t o more. Two e t e t r r t w e r e r e t r e t e Two r o r t t t o w t t r t r r e t r e t And I really, I really don't know if anything else much to say because well, is it? My boss already spoke for me. I almost forgot. Oh, he went. He met. At first, he told me that he had met him in Chicago, and then we met in Las <laughs> Vegas when I went to Pravana i เ the Pacifica l ่ s t year. We met, but my father w หลังจากนั้นก็อตอนยมจัดคอสจะมีมแผนที่จะนิมนต์ที่พี่เขานิมนต์หลวงพ่อนะคะ<อ>ก็เลยนึกถึงป้าไม่รู้ยังไงนึกถึงป้าคะแล้วก็เลยโทรไปชวนเขานี้เขาบอกว่าเขาเนี่ยภาวนาหลายวิธีเรียนรู้มาภาวนาหลายวิธีเรื่องการภาวนาแต่ว่ามันก็บอกเหมือนกับไม่อาจจะไม่เวิร์กสาหรับเขาแต่การที่เขามาสองวันเนี่ยเขารู้สึกว่าเออมันมันมีอะไรที่แตกต่างเหมัอนก็มันก็ดูน่าจะดีกว่าดีขึ้นนะฮะเพราะว่า เขาสามารถที่จะคอนเซนเทรตได้มากกว่าวิธีอื่นเพราะวิธีอื่นเขาทําแล้วเขาก็มีความคิดเนี่ยความคิดเข้าเขาไม่คอนเซนเทรตแต่วิธีเนี้เขาสามารถที่จะคอนเซนเทรตมากขึ้นแล้วก็ความคิดเนี่ยมันไม่เข้ามาถึงแม้ว่าเขาจะฟังได้นิดหน่อยไม่รู้เรื่องเขาฟังได้แค่ห้าเถึงว่าดู ท, ที่ที่เดียนรู้เนี่ยนะคะแต่เขาก็สามารถที่จะคอนเซนเทรตในขณะที่เขาเดินหรือว่านั่งยกมือเนี่ยได้ค่ะ นี่คือเหมือนกับว่าเป็นอะไรที่เขาเห็นว่าเขาคิดว่าน่าจะเป็นเป็นทางที่เขาจะสามารถที่จะทำทำได้ต่อค่ะ <c oughs> ยมเจอเขาผมก็ เ, เกือบสิบปีแล้วนะคะเขามาที่วัดป่าแล้วคราวที่เมื่อพฤศจิการปีที่แล้วค่ะคุณป้าเกศศรกับลุงบล็อกเนี่ยแกไปที่拉สเวกัส เพราะว่าแกเป็นเพื่อนแม่ชีสุรางแล้วยมไปภาวานาแล้วกเ็เจอป้าคนนี้ก็คุ้นๆก็เลยไปทักแกก็สวัสดีแกนะคะแต่ไม่ได้คุยอะไรเยอะเพราะว่าภาวานาก็เลยไม่อยากจะคุยเยอะแล้วก็แต่ตอนมาพอคิดจ ะ, จะนิมนต์หลวงพ่อมากันนีก็เลยนึกถึงแกไม่รู้ยังไงคือแบบนึกถึงแกก็อยากชวนแกมากเลยก็เลยพยายามหาเบอร์โยงต้องไปไล่หา ในโทรศัพท์นะคะแล้วก็เจอชื่อแกก็โทรไปแกก็บอกโอ้ป้ารออยู่อยากจะด้วยเห็นว่าจะนิมนต์หลวงพ่อป้าอยากจะเรียนรู้วิธีนี้เพราะแม่ชีสุราแกบอกว่าอยากให้ป้าเนี่ยมาเจอหลวงพ่อดีเลยโยมก็เลยเชิญป้ามาร่วมงานชวนมาตั้งแต่วันแรกแต่ว่าแกไม่สบายอะค่ะฮะแกไม่สบายแล้วเรื่องเรื่องสังขารนะนะก็เลยไม่ได้แบบว่า เล่งรัดแกบอกให้แกสบายสบายแล้วมาแล้วก็ท่านอาจารย์แล้วก็กลยานามิตรทั้งหลายแล้วก็ผู้ปรรถมรายการก่อนอื่นต้องมันมีเรื่องเยอะแยะหมดไปวัดแสงที่ยววัดแพร่แสงเทียนเนี่ยมาแล้วครั้งหนึ่งเมื่อปีหนึ่งสาแล้วมาพบอาจารย์นี่เป็นครั้งที่สแต่ว่าเราไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เมื่อก่อนนู้นเคยไปวัดเอมเหยยงที่อาจารย์สุรศักดิ์ที่อยุธยาคือหมายความว่าถ้ากลับเมืองไทยกับน้องชายชิพิทเขาเขาจะไม่ให้เราอยู่ว่างเลยสองวันสามวันเขาจะต้องดึงเข้าจะต้องดึงกับน้องชายคนที่อยู่เมืองไทยคนนึงเขาเป็นคู่กันท่านเขาจะดึงไปเข้าวัดตลอดเวลาเอาเราก็ไม่ขัดใจตอนที่เป็นพี่แทนที่จะสู้น้องแต่น้องนี่กลับมามานั่นพี่ ก็แก่กันทุลรอบละ่ะเสร็จแล้วก็ต้องไปตามเขาเสร็จแล้วก็เขาก็ชวนไปเลือยนี่ก็พอเราปฏิบัติเสร็จแล้วนี่เราก็หาทางที่ว่าเอ๊ะอะไรที่มันจะเหมาะสมกับตัวเราพยายามนะแต่ว่าไม่ได้ไปหาผ้ายอย่างอื่นอาจารย์อย่างอื่นไม่ได้ไปนั่งเข้าคอท์อย่างนั้นที่ไปวัดมาเห ย, ยงนี่ก็ไปดูวิธีการเขาแต่คนเขาเยอะมากคนเขาเยอะมากเขาจะทําเป็นเป้นยาวแบบนักเรียนประจําแล้วก็ แขวนเนี่ยคนเข้าออกทุกวันเป็นยาแล้วข้างหลังจะเป็นที่ซักผ้าจะอยู่กี่วันก็ได้ตอนเช้าก็จะเปิดเทปเทปของอาจารย์ของหลวงพ่อมหาโยงหลวงพ่อสุรศักดิ์ให้เราฟังแล้วก็ออกไปปฏิบัติเดินลมาอากาศมันร้อนที่เขามีเยอะเป็นพุ่ไม้แต่อากาศมันร้อนมาก อากาศร้อนมากไปมุงไทยแครไปได้แค่สามันจะกลับจะมีคนเข้าออกเข้าออกตลอดเวลาแต่ถ้าหาว่าใครจองกรณีพิเศษนี่จะได้ห้องส่วนตัวเขาจะสร้างห้องส่วนตัวไว้เลยสร้างมาเยอะทุนเขาคงจะเยอะอาจารย์รก็ตั้งใจก็ตั้งใจว่าจะทำและเพราะว่าเพราะว่าพอเราทำเสร็จแล้วเราเอ๊เราอยู่ตัวคนเดียวเราจะนั่งสมาธินี่เราก็ต้องหลับแน่ เราจะเดินไปเดินมาเราจะหาวิธีอะไรนะไม่มีคนบาดดิ่งเราเนี่ยอยู่บ้านน่ะมันเงียบมากจะคงต้องอะไรก็ไม่ต้องทำํำตัวคนเดียวมันก็เนาะธรรมดาก็ทานแค่สองมืออยู่แล้วจอนเยก็เล่นเล่นนิดเดียวหน่อยก็เอ็นึกไปนึกมมันจะใช้ได้ก็มันดูครั้งแรกมันดูดูความรู้สึกของตัวเองอยู่บ้านดูสึกแต่ไม่ได้นั่งสมาธินะฮะใช้วิธีดูจิตตัวเองว่าตอนนี้เราคิดอะไรขึ้นมา เราคิดอะไรขึ้นมาบ้างเราจะรู้สึกทันทีถ้าหากว่าเราถ้ามันออกไปในที่ไม่ดีเราจะเปลี่ยนวิยาบุรทันทีเพราะหลังบ้านมันมีที่เดินเพราะหน้าร้อนเนี่ยเราจะออกไปเดินเล่นหลังบ้านหรือบางทีเราก็จะออกไปตามวอมวอ ม, มามันเดินได้เนี่ยไปได้ได้ี<ป>ดดดวันปฏิบัติอ า, าจารย์ไปตั้งสิบวันแต่ว่าตอนนั้นมันปรับพอลงจากครึ่องบินไปแล้วเนี่ยไปถึงเลยอากาศมันมันง่วงนอน ง่วงนอนมากง่วงนอนก็ปฏิบัติแต่ก็สู้เต็มที่สู้เต็มที่โอ้โหเขาไม่นั่งเลยกาจรไม่ให้นั่งสู้เต็มที่ตื่นตีสามครึง่งตื่นตีสามครึง่งแล้วก็พอปฏิบัติตลอดอย่างเงี้ยิ่งกันนี่นะปฏิบัติเสร็จแล้วก็พอจะนอนเราก็นอนไม่หลับอีกอะ่ะสามทุมเสร็จแล้วให้เราไปนอนมันไม่ใช่เวลานอนของเราอะ พอลงจะเครื่องวินแลไปเลยอมันก็ไม่ได้แต่ก็พยายามสู้ก็ น, นึกเอ๊ะเราดูได้อย่างเดียวคือว่ามันง่วงแนละ้วมันต้องมันมันมันเป็นความทุกข์ชนิดหนึ่งที่เราเราเราเ ร, ารู้รู้ตัวว่ามันเป็นความทุกข์ที่เราจะต้องสู้โอ้เดินไปเดินมาเดินไปนั่งไม่ได้เลยจันนั่งแล้วจะห ล, ลับจะหัวความแล้วเดินเนี่ยแทบจะล้มเลยจะก่อน เกาะสาลมเลยแล้วก็มีผู้ช่วยเขาก็นั่งคุมอยู่นั่งคุมอยู่สองข้างทางพอเดินเดินไปเนี่ยเขาจะไปทางเดินนะทางเดินสำหรับนึกบพอเดินเดินไปก็จะล้มไม่ได้แต่ก็นึกเอ้ต้องสู้แล้วนะเท่านี้ก็แตกต่างกันทีนี้ทีแต่เท่นี้รู้สึกรู้สึกความรู้สึกมันก็ดีขึ้นมาตั้งใจดีสงบคือหมายความว่า ตันต้นแกแรกๆเนี่ยเราจะไม่ฟุ้งซ่านออกไปข้างนอกเลยเราจะมาอยู่กับความรู้สึกยกมือขึ้นเราจะมีความรู้สึกกับตัวเราดีเราจะไม่ฟุ้งซ่านอะไรต่ออะไรเลยถ้าหากว่าถามตอนนี้คงจะได้ไดวิคงจะได้วิธีนี้แล้วตั้งใจว่าคงจะเลือกวิธีนี้แล้วเพราะว่ามันได้เรืมันมันไม่ต้องมานั่งสมาธิที่จะต้องหลับตาเพราะหลับตาเราอยู่คนเดียวมก็หลับใช่ไหมถ้าเราโดยคนเดียว ม, มันก็หลับ เราถ้าเรามานั่งดูอจยมานั่งดูไม่ ไ, ม ไ, มได้เราไปนี่เราก็ดูได้นะมันเราองดูไอ้ความคิดมันขึ้นมาเราจะรู้รู้รู้สึก อ, อย่างเมื่อวานนี่ก็รู้ทันเหมือนกันพออาจารย์บอกว่าออกไปเดินข้างนอกนะรู้สึกตัวเองด้ว่าเอ๊ะทำไมร่างกายขี้นี่มันมันมันหนักที่กล น, นะมันเป็นอะไรนะพอเดินๆอ๋อมันก็หายนะคล้ายๆว่าเกิดดับแล้วเราก็จับตัวเกิดดับได้ละ ออมันมันหายนะมันแบบว่าก่อนจะเดินออกไปรู้สึกมันมันทุกขนะ์ะมันทุกข์แบบถกบอกไม่ถูกหรอกร่างกายบอดี้ของเรานะมันก็ไม่ใช่ง่วงแต่ว่ามันระบบยังไงบอกไม่ถูกแล้วก็มองมาว่า อ, อ๋อเดินแบบอ๋อมันหายไปแล้วนะ เราออ๋อมันหายไปนะอ๋อมันก็เกิดเกิดดับดับเราก็มาพิจารณาตัวนี้ของเราได้คือมันต้องค่ยๆไปอันนี้ไม่ไดหน่อยแต่ไม่ได้มากหรอกเพราะไม่ได้ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องถ้าหากเราอยู่บ้านเรานั่งยกมืออยู่ต่อเนื่องเรื่อยๆมันก็คงจะได้ผลดีอ่ะคิดว่าคงจะได้ผลดีคิดว่าเป็นการเก็บอารมณ์นะใช่ค่ะรู้สึกที่บ้านอารมณ์ที่บ้านโยมนี่เก็บอารมณ์ได้เยอะนะเพราะมันเงียบมาก แก็ว่าลมได้มากตอนนี้เลยต้องให้บอกว่าไม่รู้จะทำอะไรเนาะจะเอ๊จะเอาวิธีไหนดีนะก็ให้ลูกต่ออินเทอร์เน็ตแต่อะไรดูข่าวการเมืองข่าวการเมืองหนังไม่ดูนะคะหนังหนังหนังรีบหนังไต้หวันไม่ดูหนังไต้หวันไม่ดูลหนังไม่ดูละครไม่ดูเรก็เหมือนมีจะเป็นคนฟุ้งเยอะคิดเยอะฮะล้วก็จะคิดหาคํําคาคือ พยายามคือจะมีคําถามขึ้นมาตลอดเวลาแล้วพอมีคําถามแล้วก็รู้สึกว่าต้องมีคําตอบในคําถามที่ตัวเองถามแล้วก็เหมือนถ้าจะทําอะไรก็จะต้องออทดลองทําทุกทางจนค้นพบทางที่รู้สึกว่าเหมาะกับตัวเองค่ะแรกๆก็จะนั่งแต่พอนั่งเราก็นั่งได้สักพักมันก็จะหลับคิดว่าบันทีไม่ถึงห้านาทีด้วยซ้ำอ่ะค่ะคือไม่ ถ, ถึงขนาดหลับเลยนะคะแต่ก็เข้าไปไกลค่ะแต่พอหลังๆก็เลยรู้สึกว่าต้องเดินกับ ยืนนะคะก็จะทําให้นิ่งมากค่ะนิ่งมากแล้วก็แต่ก็ยังรู้อยู่แล้วก็รู้สึกว่าเอเพิ่งจะเข้าใจคําที่หลวงพ่อสอนว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเพราะพอมันตื่นแล้วจิตมันตื่นไม่ง่วงแล้วก็รู้สึกแบบมันสุขแต่ว่าไม่ได้ถึงขนาดแบบเยอะคือายไม่ได้มันถึงขนาดแบบก็ออกไปกระโดดทาอะไรแต่ว่ารู้สึกแบบ มันดีมากๆ ห, ากหนูก็อธิบายไม่ถูกก่อนหน้านี้คืนั่งสมาธิได้ทำอะไรอื่นมาก่อนปกติหนูนั่งสมาธิอยู่แล้วปกติอ่านหนังสือของหลวงตาค่ะ<ม>แต่ว่าอันนั้นก็ก็ปฏิบัติแล้วก็คือรู้สึกเหมือนมันไปจนมันหนูก็ไม่หนูไม่ได้มีความเพียงขนาดจะนั่งบ่อยแต่ก็นั่งมาได้แบบสักพักหนึ่งค่ะก็รู้สึกว่ามันก็จะถึงจุดจุดนึ่งบางทีมันสงบแต่ว่าพอมีอะไรมากระทบอย่างที่ว่ามันก็จะ เหมือนฟองสบูาา่ค่ะนิดเดีมันก็จะแบบไปเร็วแตกเปะทันทีเลยแต่ว่าพออันเนี้ยพอรู้สึกว่าออขอเรียกว่าสงบได้ไหมคะอาจจะไม่ใช่คำตรงพอสงบเรารู้สึกว่าความรู้สึกตรงนั้นก็ยังอยู่กับเราไปยืนอยู่ทนมากค่ะแล้วก็รู้สึกชื้นบานเมื่อวานหนูกลับไปทำงานคือมันรู้สึก คิดว่าไม่ได้เตะสุขนะคะแต่รู้สึกว่าจิตใจมันแบบสบายมีเรียกว่ามีความสุขอ่ะแต่ว่าสบายแล้วก็ทุกอย่างแบบจะมีนู่นมีนั่นมีนี่มาก็รู้สึกแบบไม่เป็นไรมันรู้สึกสดีเหมือนเราแบบจิตใจเรามันไม่ไ ม, ไม่คิดไม่ฟุ้งแล้วก็อะไรแล้วก็ปัญหาอะไรมาเราก็รู้สึกว่าเรารับได้เราคือเหมือนกับปัญหาก็อยู่ตรงนั้นอะเราก็อยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่อะไรที่จะเข้ามาครับเหมือนไม่ไม่ละลายหากันนะคะ อานี่ก็พยยู้ใหญ่ทีมาจากลาสเวกัสความจริงแล้วพยยู้ใหญ่ทีปฏิบัติทรมานานแล้วตั้งแต่สมัยปีสองพันจนมาถึงถุกวันนี้แต่ว่าโบมีอันใดก้าวนาเพราะมันมีปัญหาอย่างหนึ่งคือว่า แกโตแล้วโรคพยาธิหลายโรคตามมาหาตัวเองก็เลยบได้ตั้งใจกับการปฏิบัติเท่าไรเพราะว่าท้าว่าความหมายความหมายเจ้าของคิดว่าท้าตั้งใจใส่การปฏิบัติ หลายแล้วคิดว่าตัวเองนี่จะไปบรอดเพราะว่าพญาตหลายพญาตความมีแต่มันบ่อยหลวงพ่อมันหลายอย่างก็เลยตัดสินใจไปสนใจเรื่องวิ่งมาาตอนตั้งแต่ปีสอง7เจ็ดมา ไปทุกปีแต่ละปีใดซัมเมอร์จะต้องไปเพนโซเวเนียไปพิสเบิร์ไปวิ่งอยู่ที่นอนเพราะว่ามันมีที่นั่นมันมันหลายอย่างวิ่งวิ่งสวยเหลือองค์การนอนโปรฟิตต่างๆแล้วกับวิ่งมาราทอนมาราทอนที่ใหญ่ที่สุดปีนี้ตอนเมเตอร์เขาทำมาแล้วก็หลังจากวิ่ง ได้เหรือนแล้วก็พากันกลับมาวังวันที่เขาความขิงแล้วที่หันไปเพราะลูกสาวลูกสาวเขาเป็นคนชอบวิ่งเขาวิ่งฟูลมาราอนนะยี่สหพลทไมแต่แต่พ่อวิ่งแฮบมาราอนมาสามปีแล้ว แต่ก่อนก็วิ่งไฟเคเทนเคฟิทเคเทนไม้ก็ดีขึ้นดีขึ้นก็ปรากฏว่าตัวเองก็แข็งแรงขึ้นแต่ก็เป็นคนตัวเล็กๆผอมๆแต่เรื่องวิ่งหมายความว่าใส่ได้นะแล้วก็เห็นว่าโรคที่สองสามอย่างที่มีอยู่ ก็ปรากฏว่าอยู่ลอดเพราะว่าเป็นโรคนี้มาตั้งแต่พ9 9กมันเกือบส0สบกว่าปีแล้วส0สบกว่าปีแล้วถา้ถาถ้าไม่เอาเรื่องการวิ่งนี่คิดว่าไปแต่นานแล้วนะสนั่นเจว่ากะ ทำทุกอย่างเพื่อประคับประคองร่างนี้ให้ได้อยู่นานๆเท่าที่เท่าที่อยู่ได้เพราะว่าอยากมีชีวิตอยู่เพื่อตามหลวงพ่อไปอตามที่ทุกคนทุกแห่งเท่าที่ไปได้เพื่อไปเป็นตัวอย่างไม่ใช่เป็นแ บ, แบบอย่างนะเป็นตัวอย่าง ว่าคนแก่ๆทำได้ทำไมคนหนุ่มๆทำไม่ได้นะให้ไปเป็นตัวอย่างอย่างนั้นความจริงแล้วพยาะใหญ่ที่เป็นคนที่ชอบฝืนกิเลสนฮะในเมื่อทำอะไรต้องทำให้ได้ฮะตัวอย่างคือการปฏิบัติธรรมทำเจ็ดวันอทีก็ทำได้นฮะนั่งก็นั่งวันนี้ เดินจกมก้มคิดว่าจะได้สิบกว่าไม้เมื่อวานนี่สี่ส่วนโมงตามธรรมดาแล้วอย่างส่ส่วนโมงละสมไม้อย่างน้อยเพราะว่าสิบปดนาทีต่อยี่สบนาทีต่อหนึ่งไม้สนั่นจะว่าก็ ดีใจที่จะได้อยู่ไปนานๆได้ตามหลวงพ่อไปที่น่นที่นี่เพื่อไปเป็นแบบอย่างความจริงแล้วรีทรีตมา17 18ครั้งแล้วแต่ว่ามีอยู่2 3ครั้งไม่ได้ปฏิบัติไปช่วยหลวงพ่อว่า พอใหญ่ยยที่ปฏิบัติมานานแล้วไปซ่อยแม่พร้อมทำครัวเลี้ยงพวกปฏิบัติธรรมกรบไปช่วยแต่ว่ากความก้าวหน้ามันก็ไม่เท่าไหร่แต่ผลที่ได้รับก็มีหลายอยู่ตัวอย่างคือได้อารมณ์แปลกๆสามสี่ครั้งใน ในสิบกว่าปีผ่านมานี่ยได้อารมณ์แปลกๆสามสี่ข้างแต่แต่ไม่รู้ว่าตัวเองได้อะไรเหร อ, อในเมื่อรู้ตอนที่ครูบาอาจารย์เทศตัวอย่างหลวงพ่อเทศตอนนั่นตอนออออท่านผ่านตอนนั่นตอนนี้เราพอรู้ได้ว่าโอ้ตอนนี้เราผ่านไปแล้ว เราได้แล้วหมายความว่ารู้อย่างนั้นเพราะว่าผมเป็นคนไม่ชอบอ่านไม่ชอบเรียนไม่ชอบฟังเพราะทำแบบหลวงปู่เทียนพูดว่าไม่ต้องอ่านไม่ต้องเรียนไม่ต้องรู้อะไรเลยเราปฏิบัติธรรมเราจะรู้ได้เร็วที่สุดหลวงปู่เทียนพูดอย่างนั้นผมก็เลยทำอย่างนั้นเพราะว่า อ, อีกอย่างหนึ่งผมก็เป็นคนขี้เกียจ เสียเวลานั่งฟังบอกอ่อานบอกอย่างนั้นฉะนั้นจะว่าสิ่งที่ได้สามสี่อย่างที่ได้มาหันบุญว่าได้อันหดเพราะว่าไม่เคยได้ฟังไม่เคยได้อ่านไม่เคยได้เรียนอันที่รู้ตัวอย่างคือว่าการปล่อยวางเยอะ หลังจากนานแล้วการปล่อยวางเยอะขั้งใ ห, ใหญ่คือการปวดเข่าแต่ก่อนปวดเข่าก็ปวดเอวอความจริงแล้วมันเป็นมานานแล้วปวดเข่าก็ปวดแอวแต่สมัยยังอยู่เมืองลาวสมัยยังหนุมน่มๆอายุสามสี่สิบปีแต่ใ น, นเมื่อไปได้อารมณ์อยู่แซนดิโก้บ้านนางพรสวรรค์ แล้วเคยก่อนนั้นเคยได้ยินหลวงพ่อพูดว่ า, าธรรมโอชด้ารู้ธรรมเห็นธรรมแล้วพยาดนั้นโรคนั้นมันจะหายใ น, นเมื่อฟังแบบนั้นแล้วลบบังเอิญไปปฏิบัติธรรมปี2008อยู่แซนเดโกไปได้อารมณ์อยู่ที่นอนแล้ว ปวดเข่าหายปวดเอวหายจุนกระทั่งทุกวันนี้ไม่ปวดเลยแต่มารอบนี้ปรากฏว่าปวดเข่าคืนแล้วไม่รู้ว่าทานั่นหายไปไหนหมดแล้วหรือบ่อเลยหรือว่าเป็นน้ำตัวเองแก่ก็ก็ไม่รู้แต่ว่า อย่างธรรมดาวิ่งธรรมดาไม่ปวดมีแต่ต่อ น, นั่งผับแพบ์ตอนนั่งคู่เขาเ า, า, า ไ, ดดได้ตะเวนกลับคืนมาสชิคาโกรอบใหม่แล้วกาก่อนก่อนอื่นก็ขอขอบอกขอบใจขอบอกคุณมากๆกัมญ า, าติธรรมของชิคาโก ทุกคนที่ให้ความอบอุ่นเสบียงอาหารสถานที่พักเเสวยโดยสพแล้วลูกอุม้มเล็กมนและเพื่อนเพื่อนทุกคนที่พยายามจัด retreat ข้างนี้ขึ้นให้ได้เพราะเท่าที่พ่อฟังอยู่ทางหลัดสิเวกัสความยากก็ ก็เห็นว่าสมควรก่อนจะได้มาอย่างนี้สนั่นจึงว่าหวังว่าปีต่อไปพอจะได้กลับมารอบใหม่ถ้าพอยังมีชีวิตอยู่เอากกะขอท่อนี้อันก่อนอื่นขอบใจลูกสุวรรณากับแสงหลายๆา ทอนั้นแหละขอขอบใจครับทุกๆคน